ก็ได้เด็นไปในปมนะก็มันก็เป็นการสัเกตการเดินเดินยาวก็ใกล้เียงกับธรรมชาติที่เราไปเดินนะบางทีก็อาจจะระวังบางทีเดินเติรนเตินก็คิดเตินเตินนมองเติรนเตินอันนี้บางทีพรามันใกล้เคียงกับสิที่เราเคยทความใกล้เของจิตแล้วก็ มันก็จะเผินปั่ที่เราต้องตั้งใจมากขึ้นแต่ที่จริงมันก็อย่างน้อยไฟจานแต่เราพาเดินในจังหวัดที่ไม่เร็วนัแล้วก็มีเพื่อนนะข้างหน้ามีเพื่อนอยู่ข้างหลังถ้าถ้าตัวเราเมือ่อใจเราเมือเราจะเดิ น, ด น, เ, น, เ, น, เ, นเดินีนโขนเดินเลื่อนเดินไปแบบนี้มันก็เป็นการให้เราได้คล้ายๆก็มีกอกนิดนึงกับตัวเราเอง มันก็มันก็จะได้แห้เราดองปักกังหวัะไปสังเกตเนร า, าเดินจงกมแล้วรุนบางมันก็มันความสึกเดินก็แข็งคอดายขึ้นนะคล้ายๆเหมือนเราเดินไมในสวนสาธารณะเนึ่ยจะเป็นที่ว่าเราไม่เอาเราไม่ได้มาเดินศึกษาธรรมชาติไม่ใด้ไปเดินดูต้นไม้ดูนก ด, นดูสถาปัตยกรรมอะไรนะ เราเน้นดูความรู้สึกของเราเวลาเราเห็นเราเห็นสิ่งรอบๆเราเรารู้สึกแบบไหนอะไรจะเกิดความชอบอะไรจะเกิดความสงสัยอะไรจะเกิดความอะไรก็แล้วแต่ให้เราสามารเห็นตัวเราเห็นสิ่งภายนอกเลยย้อนให้เราสามารเห็นใจเรานอกจากเราได้เห็นความรู้สึกขณะที่เตือนบางทีก็พอไปกระทบสิ่งภายนอกมันก็ทให้เราสะท้อนต่อเห็น สภาวะในติศของเราร่วนแันนี้คือกางที่เราเดินภาวนาบบนกันนะหรือเราได้ไดยืเช้ยืดสายไม่ว่าจะเป็นแบบโยคะแบบชีบโพงแบบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโยบที่มันไม่ติดกับเร็วเล่งเกินไปนะเราก็คอยสังเกตดูความรู้สึกเวลาร่างกายเรายืดหรือร่างกาย มันเกรงร่างกายมันผ่อนคลายอนะมันต้องติดานทาให้เราได้สังเกตดูอ๋อสภาวะแบบนี้เนาะแันเกรงเกินไปเนียอาจารย์กุมงก็บพยาจะบอกว่าแบบไหนเกรงแบบไหนผ่คล า, ายนะแบบไหนสบายสบายก็เราก็สังเกตดูตะดีนนะถ่านอาจะบอกแต่เราต้องดูตะดีมเราก็จะเห็นอ๋อแบบนี้นะ แตรที่เราอ้อเขาแบบนี้จิตมันจำสภาวะอ้อแบบเนี้ยคือพอดีแบบนี้คือไม่พอดีเราฝึกให้จิตมันเรียนรู้ทําสภาวะตัว น, นั้นไว้ซึ่งเวลาเรามีเรียนบทย่อยอันนี้จะไม่ได้ทําให้จิตเราได้ได้เรียนรู้กับกายวิวัฒนาการหส่วนในการยืดในการเร่ในความพอดีเราก็ลองเอาประปะับไปใช้ตอนที่เราเดินจงโกมหรือว่าเรา ตั้งจังหวะเลยเนาะอย่างที่เมื่อวานมาพยายามบอกว่าเออเราไม่ติดเพิยงช่องส่วนในส่วนหนึ่งอย่างเดียวเราจะเห็นตายโดยรวมแม้บางทีเรานั่งเนี่ยความรู้สึกมันจะชัดเช่นตอนนั่งยกมือหรือตอนเดินความรู้สึกจะชัดที่ขาที่เท้าแต่เราต้องยืดส่วนอื่นไปด้วยถ้าเราไปมุ่งเป้ารู้แต่เท้ารู้แต่แขน เรจะลืส่วนอื่นไปจะลืมภาพเอ่ยร่างกายตัวอื่นบางทีมันจจะเผยเกรงไป็นนะหรือที่จริงใจที่เราเห็นว่าเส้นร่างกายตัวไหนเกรงตัวนไหนเครียดมันก็เกิดปิชาสะท้อนให้เราเห็นว่าที่จริงใจเราเหนื่อยเครียดใจเราใจเราเนี่ยมันเกงใจเรามันเค่งเนี่ยมันปิชาสะท้อนกลับมาเดี๋ยวพี เราก็ลืมตัวไปนะการเคลื่อนไหวต้นต้นปลูกนั่งตายกลับมาตรนี้เนาะมันเป็นการสังเกตเรียนรู้ออกนะผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยเป็นธรรมชาตินะอืย่าไปคิดว่ามันจะต้องอดีตลอดปูกตลอดนะให้มันเป็นธรรมชาตนะิแต่เราก็ไปลองเรียนรู้ดูในที่บทย่อยเนาะนะแล้วเราก็ตั้งแต่เนี่ยลาบพักนะลุกขึ้นไปกลัอาหารไนะปพิจารณาอาหาร เห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวสั่อาหารดูความรู้สึกขณะที่ใจเราเห็นอาหารเห็คนความรู้สึกแบบไหนไหนะบางทีมันชอบอูปใหญ่ใจตับเยอะๆบางทีไม่ชอบคิดถึงอาหารที่บ้านคิดถึงอาหารที่ร้านนะเห็นความรู้สึกของเราเนาะเราไม่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่คิดนะแต่คิดไปแล้วที่มันทานมันคล้ายๆเหมือนกับเรามีลูกเรามีอะไร นักเรียนเยนนี้บางคนมีตัวสำคัญคือเราทาันเด็กไหม <c oughs> ถ้าเราไม่ทันเราจะโ ด, ดนเขาหลอกนะมาขอเงินบอกว่าจะไปทำอะไรนแต่จริองอาจะไปเล่นเกมก็ได้คือไม่ทันครับเือไม่ทันครับกิจของเราต้องไหนกันให้เราทันมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องไม่รอกไม่ต้องว่เาเขาจะต้องนี่ๆเนาะไม่ตื่นไหลนะ มันเห็นอาหารอาจจะชอบอาจจะไม่ชออาจจะยามากอาจยากน้อยมันก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนหิวมากอัจยามากบางคนไม่เคยหิวไม่เคยทานอาหารเช้าแบบนี้ก็อาจจะเฉยนะดูความรู้สึกของเราขณะที่ตักอาหารไปด้วยนะทางกายทั้งใจนะเนี่ยเรสังเกตดูกลับมาก็มากราบพระเอาอาหารวางไว้แล้วก็กราบพระซะได้ นั่งปฏิบัติรอเพื่อนหมดนี้เนาะเนี่ ย, เ, ยเราจะลองทำแบบนี้แถวแรกเนาะแถวแรกตรสองปารับเราไปทำอาหารกันแถวที่เหลือก็อรอนำสร้างจิตวัตร ร, รอไปก่อนเนาะเป็นการเปลี่ยนใจเราเปี่ยนใจให้มีสติมีสมาธิขึนไปทำนานเลยนะักเรา ดูเราก็จะรู้เองถ้าเรามีสติไปเป็ะประมาณในการบ <PTSD> ร <esz> right? well, like so ิโภคได้คุยจ้าเราบอกเนี่ยการรู้จัดประมาณในการบริโภคเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งประมาณดูร่างกาย มีลักษณะไหนประมาณอาหารที่เราจะตับมากักขนาดไหนจุกมพอดีบางทีถ้าเราไม่สอนมาเนี่ยมันจะทานที่กองครัวบางทีเราอยู่บ้านก็จะทานมื้อเย็นด้ว ย, ห ร, ว ย, ว ย, ยหรือว่าอยากจะทานมากทานน้อยก็ในตู้เย็นหรือวราออกไปซื้อก็มันได้เนาะแต่บางทีไม่อยู่เนี่ยก็สองทานสองเื้อ สีไปได้คิดกลัวนะ <c oughs> คิดกลัวตะยืนจะหิ้วไหมอยากจะมาจาหน้าแต่ตอนบวชใ ห, ใหนะม่ๆนะก็หลอกก็แค่ใส่ทางรองมือบ้างแต่พอไปบวชในวัดป่าตอนนั้นก็ตั้งใจว้าจะฉันมือเดียวถนะ้าฉันมื อ, อเดียวก็ตอนตักปัญหาเนี้ยผมก็เือขึ้นบาทเลยบาทใหญ่ๆนะตัดมาเกืดครึงบาทก็เลยเราานได้องคัวเนยรัวไม่ติ ด, ไไดหิง พอทานไปครั้งหนึ่งมันอิ่มเลยนะแต่มันต้องมีความที่แบบเสียดายของนะอุตสาห์กลับมาเสียดายก็ปืนทานไปนะมันก็ทานจนหมดก็อินะ่มมาก็อิ่มนะ ก, ก็จุกมานะก็เป็นแบบ น, นี้หลายวันนะ่าจะเปร่วมเดือนได้นะเรื่องความกลัวกลนะัวไว้เนจะ็บหิว แต่ก็ตัดให้พอดีสักทีส่วนม่ได้ไม่ได้พอควมไม่ได้เกินแต่เกินก็คือทิ่จงเนี่ยพ่อแม่ก็ปลูกฝังส่วนหนึ่งก็ดีนะแต่เดิมพอเปาไปเข่งมากเราก็ทุกนะอย่างแม่ก็จะสอนให้ทานข้าวทั้งหมดทุกเม็ดนะเช่นตักอาหารในจานสมัยในจานก็ต้องทานให้หมดทุกเม็ดนี่ก็ตัดอาหารในบาทนะมันเดือดนี้ันต้องทานให้หมดทุกเม็ดเลยนะโอ้มันกะ มันไก็ยิ่มเกินไปนะแต่ตอนดื่มก็เ อ, อืเ้องเยอะอยมันก็คิยางมันก็ตับกินเตับน้อยลงแต่พอตอนไหนเรายิ่มบางทีอาจกเกินนิดหน่อยแล้วก็ถือว่าก็ให้ลดให้ไกลนิดหน่อยแต่ก็เหลือไม่เย อ, อนะหรอครับมันพ็เพื่อพอดีพอดีอดไม่เข่งเกินไปไม่ตึงเกินไปนะแล้วก็ดูตัวเองนะครัไม่ต้องกลัวเกินไปบางทีด้านไทก็ปรับของมันเองนะ แถวสามแวสี่เนาะสามคั้งแล้วจะไันทหแม้แต่บางทีปวดทหารวันของวันเนี่ยก็อยู่ได้นะปวดทหารบางคนไปไปดำพิษดำดำพิษตับนะเขาก็ทาปวดทหารทั้งดีท้องก็อยู่ได้ราแลเสียหน้ใจไม่คุ มันดําทิดแบบเจ็บขอบ14วัน14วันเขาไม่ถึงกับปวดทีเดียวนะแต่ก็ทานน้อยมากวันแรกวันสองทางนผลไม้นิดหน่อยวันสามวันสี่ทานน้ำผลไม้วันห้าวันหกทา น, น, า น, 5, น 6, ทาแต่น้ำมะพร้าวเจ็ดแปดก็น้ำเปล่าแล้วก็ไล่ขึ้นกลับมา โอ้รถน้ําหนักอะไรห้าหกโลนะครับมันเห็นความหิวนะเจริร่างกายหิวแต่ถ้าเราแบบไม่ได้นอนมากเนาะไม่ได้นอนก็พยายามเฝ้าดูดูอาการของร่างกายก็ดูว่าร่างกายเขาหิวมันก็เหนื่อยเราก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องทําอะไรมากนะก็นอนกะดิกเท้านอนพิษเงินเล่นเดินบ้านนี่ หรือเราก็เห็นว่าบางทีความหิวเนี่ยมันก็ทุบกายเยอะแล้วนะแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งต่อด้วยเี่ยย่ทุกใจบนาะทีถ้าเราไปคิดถึงอาหารที่ยวอยากทานเนี่ยมันจะพุนะ่มนะอืมันจะเกิดเป็นการนับวบันรอว่าอะไรจะได้กานนะบางคนอดเหมือนกันนะเขาต้องมาเล่าเรื่องาำหนักหนังโอเมนูอาหารมีสารพัดเลยเตรียมแข่งว่า กดใจได้จะกลับไปตีอะไรอีกนะหรือติดถึงหนังสือครูวังแล้วนะบางทีไม่ไหวตีไม่ได้ขอแอบออกมาเปิดดูก็ยังดีเลี้ยงบรรเทาน้ำตอนยาอันนี้ก็ถือมันเป็นการป้องกันอย่าหนึ่งเนาะให้เรารู้ทันรู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมันก็เป็นตาเหตุในนิสัยของแต่ละคนด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ มันถ้าเรารู้ทันมันก็จะไม่ไปมากไม่ไปไกลอาจจะบ่อยไม่เป็นไกลแต่มันไม่ไปไกลแถาาวแถนะวหกเนาะแถวหกคลังเราไปขับ ม, นมนเนี่ยเราก็องจไหมเรากลับมาเราก็รู้สึกมันเป็นการไม่ให้ท้องว่าง กิเลสก็ได้ทำงานเราใส่ใจผูไ้ไหวเนี่ยช่องว่างกิเลสมันเข้ามาแทรกนะมันเป็นน้อยผมว่าทีนี้ก็เลยว่าให้ให้เคลือคออค่อนไหวบ่อยๆเพื่อสร้างความรู้ตัวขนาดไม่เราเคลื่นไหวตลอดเนะี่ยกิเลสมันจะมาแทรเลยอแต่ก็สังเกตมันมาแทรกแทรกได้ไม่นานอกพอเราตัง้งรู้ตัวใหม่ ừ, มันก็วางไป อาจจะรูสีหน้าทั้งแล้วก็ลงอีกมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันก็ลงเป็นวิธีวิ่งนิดเดียวแล้วเราก็กลับมาได้อันนี้คือเราจะได้ผลเนาะมันก็เป็นความขยันเป็นความเพียรที่เรานะขยันทำแต่ถ้าเราไม่มาทำแบบนี้สเกในชีวิตประจำวันของเรา มันไม่ง่ายนะที่จะรู้ตัวๆๆใช่ไหมเราก็เดินเหมือนเดินนั่นแหละแล้วก็กินข้าวเหมือนตามมือ้อนะแล้วก็ใช้พิษกับการเคลืนไหวเกิใจมันไม่ค่อยรู้ตัวๆๆแต่แบบนี้เราวางความคิดไปก่อนนะวางไว้แล้วก็ลองลองจับความรู้สึกนะเหมือนคล้ายๆเราจับความรู้สึกตอนที่เรา เราออกโยคะเมื่อกี้เนะนยืดเส้นยืดสายเมื่อกี้พอใจเราคอยรู้สึกนะเวลาไปจังต้นแนําว่าให้รู้สึกแบบไหนให้ทําท่าแบบไหนเราคอยรู้สึกไปนะปฏิสิทธิ์เห็นทั้งร่างกายเห็นทั้งจิตใจอันนี้ก็เดินจมกลมหรือตั้งจนะังหวะก็เหมือ น, นะนกันนะมี่แก อาจจะมีคนคอยกำกับเราตลอดแบบนี้นะแบบจนเราออกพลังกายเลยครับแต่ให้เราลองเอาสติคอยกำกับจิตให้มันรู้วิวการเคลื่อนไหวหรือถ้าใจเผิบไปก็อ้ากลับมาหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาเหตุเราผลเกิดเหตุผลไม่ตื่นไม่ต้องไปติดคิดที่เจานณาว่า ทำไมเราถึงคิดเรื่องนี้ทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องเอา เ, เหดุอเอาผลไม่ต้องเอาความถูกความผิดในความคิดในอารณาาา์ต่างๆเป็นคือไม่ต้องคือไม่ต้องไปใช้ความคิดที่ดเดินม า, <อ>าแค่รู้ว่ามันเป็นอะไรแค่รู้ว่าเรารู้สึกแบบไหนรู้แบบเหมือน มันเราดูข่าวดูนะเราก็ดูเราก็ฟังเราก็เห็นล้วก็ได้ยินแล้วก็เข้าใจแต่บางทีที่เราเผลอไปก็คือเผลอไปพรายใจเผลอไปไม่พรายใจถ้าเราแค่รู้จเฉยๆมันมันจะเป็นห้อมูลที่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จิดมันก็จะไ่อยๆเกิดการเก็บความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวพอจิดมัน รู้ไมากๆมันจะเกิดความเข้าใจในระับการเปลี่ยนแปลงของมันเองแถวสุดท้ายก็กราบพระกันไปการทำาหารเนาะสั ง, สงเกตเลยเนาะกราบพระเป็นก็มีจังหวะในการกราบแต่ก่อนบางคนกราบพระพอเป็นพิธีไปที่วัดเดินพระพุทธรูปก็กร า, าบพระเป็นพิธี เจริญระสมพอกราบพระก็ะเป็นพิธีแต่ <c oughs> ลองกราบพระแบบอ่รู้สึกตัวจะติดแต่ีนะตะเข้าถึงพรนะอมแม้บางทีเราไม่ได้กราบพระต่อนหน้าพระพุทธรูปหรือต่อนหน้าพระสงฆ์เรากลาบอยู่บนเตียงนอนนะแต่เรากราบพระตอนกราบน้อนกอนนอนไหว้พระทิ้งเลยน ะ, ะเราเป็นเข้าถึงว่าเป็นพระได้นะ สังเกตดูนะถ้าเรากราบพระออย่างรู้สึกตัวนะ่ะโอ้พราะพูดคืออะไรนะผู้รู้พู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรากราบดู้ตอนรู้สึกตัวจิตใจของเราตื่นเราเบิกบานเราสงบไหมเราก็สังเกตได้ถ้าใช่เราก็กราบพระถึงพระแต่ถ้าไม่ใช่นะไม่กราบต่อหน้าเพราะพูดวรู้ ขาดหน้าก็ตรงก็นะยังไม่ขาดถึงพระนะนะเราลองสังเกตดเูเนะนี่ยคนเนี้ยแต่ก่อนเราก็ไม่ดูนะแล้วก็คิดว่าเป็นแค่รูปแบบกนะารไหวพระการสวดมนต์การนั่งสมาธิการฉันอะนะคิดแต่ว่าเป็นรูปแบบ พอบวชเป็นพระได้ก็ต้องฉั น, นนะ้กว่าพอมาอยู่วัดมาปฏิปัติธรรมก็ต้อง <c oughs> นุ่งขาวนะเราต้องนุ่งขาวก็เป็นรูปแบบนะบวชพระบวชชีก็ต้องตรงผมนะมันเป็นรูปแบบเพื่อให้เราคล้ายๆได้ได้รึกได้แล้วก็เราขนมพึ้นฐาเติดก็ดีนะเป็นรูปแบบแต่ที่จริงเนื้อหาเนื้อหาที่เราจะเป็นพระ เนื้อหาที่จะทําให้เราเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงเนี่ยอันนั้นสาคัญกว่านนะถ้าเราเข้าถึงเนื้อหาได้พอเราไปเป็นคาราวาสเราใส่สูตรเราใส่เสื้อเราใส่กระโปรงมันก็ไม่ตาม่างนะเพราะว่าใจจริงเรารู้สึกตัวหรือพองมีความอุตส่มีความโกรธเราสะระนะ เราไม่ตกเป็นทาสรอมันได้นะแต่เราก็เป็นพระแล้วนะแต่ถ้าเป็นพระแล้วยังโกรธอยู่เนะี่ยมันก็ยังไม่เป็นพรนะเนะี่ยเราจะเห็นได้แมนะ้เรามีลูกแมนะ้เราไม่ได้ออกบวชเราก็สามารถก็จึงความสุขความสงบที่แท้จริงได้เนะีนะ้ยมีค่ายิ่งกว่านะมีค่านี่กว่าอึดแฝงที่เราได้ทำ การที่เรามาทำกรรมฐานตัวนี้ห hmm. ร so ือว่าเรามาข้อคอนตัวนี้ก็มนก็เป็นรูปแบบที่ช่วยให้เราเรียกว่าในซ้อมในซ้อมกับการภาวนามากขึ้นแล้วก็พอจะไปซ้อมตัวนั้นมากขึ้นเราไปใช้ในยิมไปทำมาของเราก็จะจะพุ้นเคยมากขึ้นอันเป็นตัวอย่างนี้ว่าเราไได้ซ้อมตัวนี้อยไปฝอยเหมือนนักกีฬามันต้องฝึกเยอะนะ พอจะเป็นแข่งมันถึงจะทำได้แข่งที่ปึกหรือพอเจอปัญหามันถึงจะใช้ปฏิภาณหรือว่าใช้ความสามารถตอนทำงานในการแก้ปัญหาแต่ถ้าอดซ้อมนะก็โอกาสาที่จะแพ้สูงนะในชีวิตประจำวันของเราต้องมีแต่เนานะถ้าเราอนซ้อมนะในกรรมฐานหรือว่าในทางศีลภาวน า, นาอะไรก็แล้วแต่เนานะตัวถามไม่ใช่่าแค่นี้นะที่จริง ธรรมะก็ยังมีอีกหลายอย่างนะเราก็สามารถเป็นใช้ได้เช่นเราทำทานเรารักษาศีลเรามีความเมตตากรุณาเรามีความรู้จักเออเศรษลัเรารู้จักเออกระตันยูต่อพ่อแม่ปูบาอาจารย์ช่วงี้ระคุณนะไอ้พวกนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันถ้าเราซ้อมบ่อยมันก็จะง่ายในการที่จิตใจเราจะฝึกง่าย อ่อนโยน อ, อันต้นนี้นะถ้าเราสอนเรื่งนี้บ่อยๆทั้งในรูปแบบเงาทูปแบบพอไปเจอเอารมณ์ก่อทมเนี่ยมันไม่ได้เหน็นเห็นได้ชัดขึ้นเดี๋ยวจะพัฒน์สอให้พรเนาะหลังจากที่ให้พรเราก็พิจารณาอาหารนะพิจารณาอาหารในความเป็นแบบที่ทุกข์พิชิตภาพท่านสอนเนาะแต่ก่อนเราไปกินอาหารด้วยความ อันนี้น่ากินอันนี้อร่อยอันนี้ร้านดังออันนี้ของแปลกนะอันนี้เราลองมากินด้วยความคือเปลี่ยนเพื่อห เ, าาเหมือนคล้ายๆให้ร่างกายมันได้ดำรงอยู่ได้เพื่อการประพฤติภูมิใจก่อนตั้งใจประกอบก่อนนะท่านยะภาวิบหาตูราปริกูเรนติสาพระรา เอวเมวอิโตตินังเตกานังอุปปัปปติอิจิตังปิติสังตุขังสิปเมวะสมิเตตุสัพเพกุเรโสสั่งขปาจัตโธปนารโสยะธามมนิโตติราโสยะาสัตติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งกลวงจมบำราาไปสัพพาโอควินาสตุ โรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเดพวะวันดารายโยท่านดารายามีแต่ท่านสุขีทีทายุโภภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาเสียริสานิจังุทาปจายิโนจกตาโรธรร ม, มาวัจันติอายุวันโนสุขังพลัง ออนสี่ประทานคืออายุวันนาสุขขารายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ากามมีปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นที่ภาวุสัพพมังทารังขอสัพพาบุคคลจงมีแก่ทานราคนสุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสัพพาพุทธานุภาเวนา โดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังข า, า, า, านุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ ส, พสัพพะโสที่พราวันสุเดขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุ่งมืออาเดต ปฏิสังขยนิโกบิงคาปาทำปฏิสเสวามีเราย่างปิจารณาโดยแยกตายและแบ่งบิงคาาเนวทาทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมาลันเจือ นาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสากายสัพพิยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัมภามีิสุปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย ธัมมะจริยาุูปามายะเพื่ออนุเครแก่การประพฤติภพมหมิจันทร์ที่ดีโบรานั้นจะเวทนาปฏิหังฟามด้วยการทำอย่าง